ก็ขอาขาลากกันแล้วะคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ลุงปู่ลุงพ่อลูกพักทุกลูลกล้วก็ขอเจริญในธรรมมายังโยมพ่อยมแม่นักปฏิบัติธรรมทุกทุกท่านอันั่งตามสบายลุงพ่อว่าเป็นคนเก่าก็เก่า เก่ายุนฟันร่วงหมดแล้วคนใหม่ก็ใหม่่งมาเห็นหน้ากันใหม่ๆบางคนก็ยังไม่รู้จักแล้วจะให้หลวงพ่อเล่าอะไรโยมอยากจะฟังในแนวไหนนะคือทุกปีอะทุกปีหลวงพ่อก็ได้เล่าประวัติบ้างไป ผสมประสานกับอารมณ์ของกรรมฐานที่ที่หลวงพ่อได้เข้ามาบวชรอบสองแต่เป็ น, นหนังกับหนังรอบสองด้วยความจงใจที่มาบวชนี่นะไม่ได้ไม่ได้พอใจที่จะมาบวชแต่บังเอิญว่าหลวงปู่ท่านป่วยหนะัก ท่านก็เคยให้ลงพ่อบุญธรรมเนี่ยไปตามตามเอาตัวลงพ่อนี่มาตัวของอาตมาตัวของกระผมเองมาแต่ช่วงที่เป็นโยมนั้นไปไปปฏิบัติกับท่านที่สนามในคือไปบ่อยเป็นโยมก็ก็ไม่ได้ห่าง จากวงการธรรมะก็ไปบ้างมีภระษังบ้านบ้างปีนั้นปีสองพัรอยี่สิบแปดปีท่านนิพเพนเข้ามาปฏิบัติไปเจอกันที่นั่นเขาเป็นหนุ่มที่นี่ท่านหลวงพ่อท่านกำลังป่วยก็เลยบอกพูดกัน <Okay. S 1> แบบเปิดอกแบบพ่อกับลูกคือหลวงพ่อเนี่ยรุ่นเดียว ก, กันกับไอเทียนไอเทียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันกับหลวงพ่อ เกิดไปเดียวกันท่า น, นก็เลยถือว่าเป็นเป็นลูกคนหนึ่งเพราะเป็นคนแรกมาเจอกับท่านและเป็นคนสุดท้ายเมื่อท่านมรณภาพอ่าทุกองค์ก็ก็อยู่ด้วยกันแหละแต่ว่าหลวงพ่อมาทันชีวิตบรรพายของท่านอีกทีก็เลยว่าองค์แรกกับองค์สุดท้ายคือหลวงพ่อองค์เดียวกันปีนั้นท่านอยากจะให้บวช เออลุง ป, ปู่ถ้าผมบวช ด, ด้ลูกผมยังเล็กยังไม่ออกเรียนขอให้เขาออกโรงเรียนก่อนหรือขอเงินมาสร้างบ้านให้หลานลุกบอกว่างพ่อไม่มีเงินเอาอย่างนี้ก็เลยพูดกันพ่อกับลูกไนงะอยู่ในห้องสองต่อสองาเผื่อว่าผมมาไม่ทันลงพ่อมรณะภาพ หลวงพ่อต้องทำอะไรให้เป็นนิมิตหมายไว้เป็นอนุสรณ์ให้ลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังบ้างท่านยิ้มยิ้มแล้วผมจะมาบวชจูงศพผมจะมาบวดหน้าศพหลวงพ่อบวชบอกอย่างนี้นะท่านก็ยิ้มยิ้มท่านหันหน้าไปทางฝากระติแล้วก็หันมาหาหลวงพ่อท่านยิ้มว่าบวชจูงคนตาย มันบ่มีประโยชน์าบอกอย่างนีนะถ้าบวชต้องบวชให้หลวงพ่อเห็นถ้ามาบวชหน้าจบหน้าคนตายแนละ้วยมันบ่ได้ประโยชน์มิยั้งนี่ะท่านว่านะบวชจุงคนตายนะี่ยไปจูงไปตั้งท่านว่า เ, ออเขาก็จะเอาไปจี่ไปเผาอยู่แล้วท่านบอกอย่างงั้นทุนบกก็เลยหัวเลาะท่าน ก็เลยกลับมาบ้านมาทำบ้านทำอะไรลูกก็จบโรงเรียนพอหกพอดีก็ให้บวชเป็นเนรก็ปีนั้นบวชเป็นเนรมาได้ปีสองปีพอปีสองพันรอยสามสิบเอ็ดสร้างบ้านเสร็จที่นี่ก็เลยบอกแม่บ้านว่าเราเอาคนละคนลูกผู้หญิงให้อยู่กับแม่ผู้ชายพ่อจะเอาไปพาไปเรียนหนังสือ ก็เลยบอกอย่างนั้นวันที่วันที่สองของเดือนพฤษภามหลวงพ่อขึ้นมาตั้งใจถ้าจะได้บวชให้ไปเจอหลวงปู่ตั้งใจรีบขึ้นรถจากแก่งคอมาเบอร์เก่งคอหลวงพ่ออยู่ชายพุ่มนะจากแก่งคอมาบ้านก็อยู่หลังเขาก็ลงมาก็มาถึงที่นี่ที่นี่ยังเป็นป่า ยังเป็นป่าพงหญ้าเยอะมีกอภัยกว่าเดียวบ้านทางอีสานเรียกว่าป่าเลาป่าพงหญ้านะนกุฏิอยู่ฝั่งนู่นที่ที่นี่มาปลูกไว้เป็นกุฏิไม่กี่หลังอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ไม่รู้คุณอะไรที่กรุงเทพเป็นลูกศิษย์ท่านมาบวชแล้วก็ก็นั่ง อยู่ข้างในกำลังแต่งที่ให้พระใหม่แต่งกดให้พระใหม่อยู่เพ่อเขเข้ามากาเป็นโยมมาทันพอดีพอวันนั้นท่านจะเดินทางบ่ายสองสี่ิบห้าจองตั๋วไว้แล้วเครื่องจะออกจากเมืองเลยบ่ายสองสี่สิบห้าบอกว่ามหมามายัางไงท่านถาม มาจังเดเนี้ยก็เลยบอกว่าบอกท่านว่าผมจะมาบวชหลวงพ่อท่านพูดโอ้โอ้ยหลวงพ่อสบายใจแล้วหลวงพ่อสบายใจแล้วท่านว่าเนี่ยนะก็เรียกเอาเตรียมเลยเรียกคุณเตียมไปเตรียมเตีย้ยเตีย้ยเตรียมก็อยู่นี่ทำป่าทานหญ้าทานป่ า, า, า, า, ปามานี่มานี่พอเอาเตียมมาก็บอกว่า พรุ่งนี้ตอนเช้าไปบวชพามาหาไปบวชแต่เช้านะท่านกลัวว่าหลวงพ่อจะเปลี่ยนใจใช่ไหมครับครับเรื่องบ่ายนี้หลวงพ่อจะกลับกรุงเทพจะไปหามหมอบ่ายบ่ายสองสี่ที่บานน่ะเวลาเขาจะถึงแล้วพอดีก็ท่านก็ไปบ่ายสองมาตื่นเช้ามาแล้วก็ไปบวชบวชกันที่นี่เนี่ยนะ ที่อาจารย์เจ้าคุณเดี๋ยวนี้เจ้าคุณนี่ยังเป็นนักเรียนรุ่นน้องหลวงพ่อด้วยนะแต่ท่ามาบทชหลวงพ่อหยุดสอบแล้วหลวงพ่อไม่สอบประโยชนข้ามพอท่านไปอยู่ที่บ้านเสียวอําเภอน้ําพองไปอยู่ั้หนักเดียวกันแต่ท่านเป็นนักเรียนรุ่นน้องท่านเจ้าคุณ เ, เจ้าคณะจังหวัดองค์ปัจจุบันนี้ที่นี่ท่านก็เป็นพี่ทางราษาที่นี่ก็เลยมาบวชกับท่านท่านเป็นอุปชาที่นี่ แต่ที่นี่ในเกตนาของหลวงปู่เนี่ยท่านอยากจะให้หลวงพ่ออยู่ที่นี่สืบต่อที่นี่มากๆเลยเพราะท่านชอบชอบสไตล์ของหลวงพ่อ <c ười> คือหลวงพ่อเนี่ยมันมันสไตล์ไม่หย่อนใครแม้ทุกวันเนี่ยพูดก็พูดเสียงดังก็ตะวาดพระตะวาดโยมอะไรทำนองเนี่ยท่านชอบคนแบบนี้เป็นนักสู้นักสน แต่ที่นี่หลวงพ่อก็เลยมาคิดว่าอยู่ใกล้อุปชาไม่ไดีเดี๋ยวอุปชาเรียกไปสอนนักธรรมอ้าวตายแล้วเราไม่อยากจะสอนนักธรรมปีนั้นก็ต้องไปสอนนักธรรมให้ท่านคิดไปคิดมาถ้าเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวจเจ้าอาวาสท า, ง น, น า, นานงนู่นขาดเกินเจ้าคณะตำบลทางนั้นขาดเกินตั้งแตจะดึงเราไปเป็นฝ่ายปกครองเลยนึกอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยไม่อยู่ที่นี่เนะี่ยตัดสินใจกลับไป เอ่อที่วัฒนธรรมไหนปีนั้นนะพอหลวงปู่เสียแล้วนะแล้วใ น, ในี่ปีนั้นปีส5 3 1ห้าร้อยสามสิบเอ็ดหลวงพ่อบวชวันที่สามคงเป็นวันที่สามเนย ถ, ถ, ถ้าจ๊ะจําไม่ผิดนะอยู่มาก็ไม่นานอาจารย์นุปดลอยู่ที่ทัดคงน้องหารมรณภาพก็เลยไปเผา เผาท่านที่ทัาคุคงไปเผาที่น่นปีนั้นอาจารย์มหาดีเลกอยู่หนองปกหลอดกำลังสร้างทานักกันพระสงเยอะแยะไปอาจารย์รําไมก็คงอยู่หลังเขาปีนั้นพอทงปู่กับจากเมืองเลยกลับจากกรุงเทพออกจากรงพยาบาลมาพระตะเลก คุณเล็กทิดเล็กเดี๋ยวนี้ไปเป็นลูกเขยไทยอน้องหานชาวน้องหานก็เลยโทรไปบอกว่าหลวงพ่อกลับมาถึงทับมิ่งขวานแล้วหลวงพ่อก็เลยปลาโลบเล่นๆกับพวกอาจารย์ในวันนั้นไปนอนที่บ้านพังซ้อนไปอบรมพายมปฏิบัติที่นั่นคืนหนึ่งบอกว่าเออหลวงพ่อขึ้นมาถึงเมืองเลยแล้วอาจารย์ที่นี้ท่านคงจะ ตัดสินใจแล้วหลวงพ่อคงจะไม่กลับคงเทพและจะไม่เอาอะไรทั้งหมดก็จริงๆก็แล้วเราก็รีบพากันแต่งสิ่งของกลับมาเมืองเลยพอดนะีพอมาถึงวันที่เก้าเนี่ยที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้าวันหลวงพ่อมาอยู่ที่ทับมิงขวัญห้าวันเนะี่ยเป็นสรามุงแฝกที่อาจารย์ทำไมสร้างสองชั้นเนี่ยนะ แนักติหลังนี้เป็นที่พักคนป่วยมีเตียงสําหรับคนป่วยมีรถเข็นท่านก็เตรียมไว้เผื่อจะให้หลวงพ่อจุคุณเจ้าคณะจังหวัดเลยองค์กร น, นะเสียหน้าที่ขุ่นะท่านจะเอาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมาอยู่ด้วยมาอุปถัมภ์เพราะท่านเป็นคนอายุรุ่นเดียวกันท่านก็มีส่วน ปคับประคองพวกเรามากๆหลวงพอนะ่อเนี่ยท่านท่านพูดถึงธรรมะนี่ท่านท่านปล่อยให้เต็มที่เลยแต่พูดถึงเรื่องวินัยนี่อย่ามาอย่ามาใหญ่กว่าท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องวินัยนะหลวงพ่อสีหานาถเนี่ยสมชื่อเขาตัวเล็กๆแต่ว่าพูพูดนี่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หย่อนใครแต่ถ้าพูดถึงธรรมะเนี่ยไปเลย เอาจมูกไว้ให้เราหายใจหน่อยพูดอย่างนี้เอาให้เต็มที่เนี่ยในในในช่วงนั้นพอมาถึงปุ๊บท่านก็บอกเลิกยาอาหารทุกอย่างท่านก็บอกว่าหิวอยู่แต่ว่ามันกินไม่ได้กินไม่ลงก็น้ำก็ได้ตั้งแต่ร่างปากม้วนปากแค่นั้นเองยาก็ไม่ฉันอะไรก็ไม่ฉัน แล้วก็ต้องผัดเปลี่ยนเวรกันเข้าพระนุ่มอยู่ท่านท่านจะบอกหลวงพ่อเนี่ยประจําเลยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านจะห่วงมากๆเพราะว่าไปไปไปไปพายมโยมปฏิบัติอย่ามาห่วงหลวงพ่อท่านท่านจะบอกอย่างนี้แล้วทีนี้คืนหนึ่งช่วงระยะนั่นแะที่มาพักท่านเดินดู ท่านึ่งเดินได้เดินเดินดูพวกเราปฏิบัติกันมาถึงกติของพอ่อหลวงพ่ออยู่กติหลังนี้ท่านก็เห็นใตเทียนท่านก็ไม่เลยท่านไม่ได้ไปหาท่านเดินมามาขึ้นแท่นไอรานปูนที่เราเทเป็นไอที่รองอาบน้ำอ่ะสักสูงสักแค่ฝ่ามือทีนี่พอเหยียบแล้วท่านก้กาว ล, ลงก้าวลงท่านล้ม ท่านล้มนี่ล้มยังไงหลวงปู่เนี่ยท่านล้มล้มไม่ได้นอนท่านก็นั่งพับเพียบพุ่งพับหลวงนุ่มมันคุณคาภาคนชุมแพที่มันจำบัญช า, าอยู่ด้วยกันปีนั้นเป็นพระหนุ่มก็รีบวิ่งมาจะมาอุ้มท่านท่านก็บอกว่าพอพอพๆพเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยตัวเองก่อนท่านบอกนี้ แต่ก็ประยุงตัวเองลุกขึ้นลุกขึ้นได้เองจริงๆเนี่ยพระหนุ่งก็ไม่ได้ไปช่วยไม่ได้ไปประยุงอะไรท่านบอกว่าเก็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเนี่ยต้องช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนก่อนแต่จะให้คนอื่นมาช่วยท่านบอกอย่างนี้นะท่านไม่ได้ไปล่องโอดครวนอะไรนะทั้งขนาดที่เป็นมะเร็งเนี่ย <c oughs> ไปบอกว่าช่วยหลวงพ่อด้วยโอ้ยยกหลวงพ่อด้วยไม่ได้ไม่มีร้องโอยล่องคางนี่ไม่มี มีอย่างเดียวเมื่อเราเวลาเรามาจับยกถ้ายกผิดจังหวะโอโอโอโอเราก็หวังอ๋อหลวงพ่อมู้ดีทุกคนป้าถนาดีต่อหลวงพ่อแต่ว่าจับผิดจังหวะหลวงพ่อเจ็บท่านพูดอย่างงี้เลยนะทุกคนเนี่มันดีต่อหลวงพ่อแต่พอมาจับผิดจังหวะนี้หลวงพ่อมันเจ็บท่านพูดอย่างงี้เราก็ววางท่านก็กลัวว่าเราจะเสียใจ ยี่เนี่ยวันหนึ่งเนตอนบ่ายๆนะออถ้าหนุ่มก็ออกไปหลวงพ่อ ก, ก็เข้ามาเอาน้ําแข็งมาให้ดูยเต้นว่านะปกติเอาน้ําแข็งมาตั้งทองทองเทง่าโอ้ลอดมากๆเลยนะเรามือมาอังเนี่ยโอ้ลอดพาวพาวพาวน้ําแข็งหอ่อละเท่าไรหอ่หอห่อสามบาทหรือห่อห้าบาทนะั่นะนะเอาน้ำแข็งหลอดนะมาใส่ไม่ถึง สอสานาทีละลายเป็นน้ำหมดแน่แต่วันนั้นน้ําแข็งมันไม่มีเจ้ากรรมเจ้ามีขวดยาพวกยาน้ําแก้กระเพาะอะไรมั้งคงจะเป็นอลูมินัมอะไรทํานองเนี้ยน้ำขาวๆอะไรพวกกระเพาะนี้อยู่นั้นสีห้าขวดตั้งอยู่ในตู้เย็นนะเอาน้ําแข็งมาท่านบอกหลวงพ่อก็ไปเปิดตู้เย็นแต่น้ําแข็งมันหมดไม่มีหลวงพ่อก็เลยกลับมาบอกวหลวงปูง่ น้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งหมดแล้วมีไม่หยั่งก็เอาม้าท่านบอกนะมีอะไรก็ให้ให้เอามาแล้วงพอก็เลไปกว้าเอากวดยาหน้าเขาขาวกวงยากระเพาะมาให้มาให้ก็เอามาวางทองท่านก็หลับตาพูดคนงูสันพูดหลวก็ยังจําติดหูนะคนงู คือหมายถึงว่าว่าหลวงพ่อหนี่ยงูคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เป็นไงนะการแก้อารมณ์กรรมฐ า, านเนี่ยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันเป็นท่านบอกนะมีอะไรก็ต้องต้องเอามาก่อนนี่แก้ปัญหานี่น น, นี่พูดถึงความเด็ดขาดของท่านนี่แล้วเมื่ออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงที่หลวงพ่อเป็นพระหนุ่มเนี่ยนะสิบปีหลวงพ่ออยู่นะ สิบปีหลกงพ่อจากท่านไปสิบห้าปีนก็กลับมาช่วงสุดท้ายเลยเนีย่ช่วงนั้ น, นที่ที่ที่อยู่กับท่านมาท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ไม่เคยชวนเราไปทำบุญอะไรเลยไปเถอะเราทำกระถิ่นไปโน่นไหมไปทำภาพป่าไปโน่นไหมไม่มี ท่านบอกว่าถ้าผมรู้ธรรมะตั้งแต่เป็นโยมผมสบายแล้วแต่ที่นี่ที่บวชเนี่ยไม่ใช่อื่นไกคือหาคนพูดเรื่องนี้มันไม่มีมิจะพูดเรื่องอื่นท่านบอกอย่างนี้เราอยากบวชมาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านก็พูดเฉพาะเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียว แล้วก็ไม่มีใครจะพูดเหมือนท่านแล้วก็ไม่มีใครพูดกล้าท้าทายเหมือนลุงปนะู่นะนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆพระสงฆ์องค์เจ้ารุ่นเดียวที่ปฏิบัติเห็นท่านเป็นคารวะช่วงนั้นแต่ที่นี่คือคือเร่าประวัตินี่ก่อนๆเถ่เ อ, อได้ยินเทพของอาจารย์มหาเล่ามาผิดนิดหนึ่งลูกผิดลูกหาเราจะจับผิดคือเริ่มแรกเนี่ย เริ่มแรกเลยออกจากวัดมหาธาตุการเคลื่อนไหวแต่ท่านใช้คำบริกรรมว่าพิกหนอยกหนอมาหนอถูกหนอช่วงแรกที่มากรุงเทพจะคนคุณหญิงคุณนายรับไม่ได้หลวงพ่อมหาปานวัดโสกปลาหลวงฝั่งเราไปฝึกช่วงนั้นท่านกลับมามึงเราท่านเลยมาเปลี่ยนคำว่าหนอเนี่ยมาเป็นตีนนิ่ง ติงนิ่งก็ได้ใช้ติงนิ่งมาทีนี้หลวงปู่สมเด็จทรงหลวงปู่มหาเจดกกลับไปที่พมา่าก็ไปเอาอนาปาเอาหนอนี้เลยไปใส่อนาปาเลยหยุดจังหวะตรงนี้ทีนี้เมื่อหลวงปู่มหาปานมาที่วัดโสปราหลวง หลวงปู่มหาชิจันท์เขาไปฝึกจากวัดสสปราหลวงท่านเป็นคนฝั่งทางท่าบ่อทางหนองคายหลวงปู่มหาชิจันท์นี่นะเป็นพระหนุม่มช่วงนั้นยังมาเจอกันกับหลวงพ่อเลยได้มาคุยกันอยู่ไปคุยที่วัดสันตินีแเละไปที่ว่าหลวงปู่เทียนสอนผิดเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ไปคุยกับท่านอ่าช่วงนั้นนะท่านท่านไม่รับฟังพระผู้น้อย ท่านแม่รักฟังมีอย่างเดียวที่อยากให้ไปทำแบบแบบเดิมๆบอกว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยยันคูบาอาจารย์เทียแล้วท่านว่าแต่ปีนั้นท่านมาสร้างวัดออไม่ใช่ปีนั้นหรอกท่านก็มาสร้างวัดรังสีรังสีมุกดารามที่อำเภอสีเชียงใหม่นี่นี่ประวัติที่หลวงปู่เราจะได้ไปสุดหลวงปู่เนี่ย คุ้นกันกับหลวงปู่มาจีจันเพราะลุกปู่มาจีจันนี่เรียกว่าพี่เดินเรือ่ระหว่างเมืองหลวงกับเวียงจันทร์กับหนองคายท่านก็ติดเรือขึ้นไปหลวงปบงูบ่าท่านก็ไปฟังเทศองค์นี้นะี่ยเดียท่านก็เลยบอกว่าถามยังไงมันก็ไม่เข้าใจหรอกวิปัสสนาให้มาปฏิบัติเอาเองท่านพูดอย่างนี้ หลวงพ่อท่านก็มาฟังอยู่ถึงสองปีท่านจึงถึ ง, ถ, งถึงได้ไปที่ท่านเล่าให้ฟังไปนี้ไปที่วัดลังสีมุกดารามไม่ใช่ไปฝึกที่สุพปหลวงนะในวันในปีนั้นหลวงปู่มาฮิิจันร์เนี่ยไม่ได้จําำภาษาและไม่ได้สอนลวงปู่ด้วยนะไปจําำภาษาหลวงพ่อบางหลวงปู่วันทองเป็นประหลาดอาเภอเก่า บวชก็คงจะเป็นหลวงตาแบบฝึกทุกอย่างนั่นแหละก็แบบหลวงตาโกโลโกโสพูดง่ายๆนะเอาทุกอย่างหนอก็เอาตายก็เอาอุโทโธก็เอาติงนิ่งก็เอาก่ อ, อนจะทำานี่ก็ต้องให้ภาวนาว่าตายตายก่อนถ้าใจโลดใจก็ให้ทำมาติงนิ่งหลวงปู่ก็ต้องไปฝึกตรงนี้กับหลวงปู่วันทองไปฝึกนะั่นแต่ท่านเป็นคนมีปัญญาชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นในใจทัน้นว่าเอ๊ะตายตา ย, ตายนี่ก็เป็นคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธหนอนี่ก็เป็นคําบริกรรมท่านเล่าอย่างนี้เลยนะเดีวจริงนี่ก็เป็นคําบริกรรมท่านบอกว่าเอ๊ะกูจีทาซื่อซื่ อ, อบงกอเข้าใจไหมไม่เข้าใจเราจะทำเฉยเฉยดูไม่ต้องบริกรรมอะไร ท่านก็ท่านเนืกอในใจเป็นภาษาอีสานมึงเลยด้วยนะกูจะทำทื่ๆอๆบางกอะท่านก็เลยมาทำยกมือแต่ว่าทำช้าทำช้าจริงๆทุกวันพระหลวงปู่มหาปาลจะมาเทศอบรมนักปฏิบัติที่วัดลังสีมุกดาลาที่แล้วท่านก็กัดวันพระต้องมาช่วงนั้นเพราะหลวงปู่มาจีจันไม่อยู่ ท่านจับมาสายอยู่ที่หลวงป่าบางก็มีแต่พระใหม่กับหลวงปู่วันทองอยู่ที่นั่นหลวงปู่วันทองก็สอบอารมณ์ก็เอานะโยมจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นผู้ไยเอานะโยมนะ <c oughs> ท่านพูดอย่างนี้นะนี่นะยงที่นี่ท่านก็มาฝึกตั้งใจฝึกจริงๆหลวงพ่อนะทำ ทำให้ถึงสามวันไอ้เรื่องรูปนามท่านเข้าใจพังทะลุตะลวงมาเลยจนกระทั่งว่าโอ้ยช่วงจะออกพรรษาหรือยังไม่ถึงเดือนถึงปีไม่ถึงเดือนถึงสองเดือนเลยธรรมะทุกอย่างนี่มันหลั่งไหลออกมาแต่มันก่อนจะเป็นเนี่ยมันจิตเนี่ยมันขาดสะบั้นทุกส่วนทุกส่วนท่านถึงรูร้ลักษณะจิตของคนเหล่าเนี่ย ปกตินี่จะต้องมาตัดอารณพวกนี้ราคาโทสะโมหะนี่เป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบคนธรรมดาเราเนี่ยถ้ามีความเพียนมากจะไปถึงสามรอบกันบอกอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากวก่าพวกปัญญาไวเนี่ยจะมาครั้งหนึ่งหรือสองครั้งพอนี่ท่านท่านท่า น, ท, านท่านพูดไวอย่างนี้เลยนะนท่านถึงกล้ากล้ายืนยันในเรื่องอการปฏิบัติการเคลื่อนไหวแต่ทีนี้ พอจากนั้นมาท่านก็รู้ธรรมมาแล้วออกพรรษาแล้วท่านก็ไปนิ ม, มนต์พระผู้ใหญ่มาเปิดที่บ้านบุหงุลหลวงปู่มาที่จันรก็กลับมาจากมืองแต่หลวงปู่พานไม่ได้มาท่านก็มาเปิดพายโยมบ้านบุหงุลทำกุฏิเดี๋ยวนี้คงหมดไปแล้วตังแต่หลังเก่าๆหลวงพ่อช่วงหลวงพ่อมาปี 2 5งพนร็ 250, นั้นยังเห็นอยู่ซากที่ท่านทำกุฏิไว้นะท่านถึงทำให้มีแม่ครัวเลี้ยงแต่ที่นี่ต้องทำช้าฉันข้าวก็ช้ากินอะไรก็ช้าไอ้พวกสูบบุหรี่นี่เลิกบุหรี่ได้เลยเพราะมันมามวนมือเดียวข้างเดียวทำโอ้ยลำบากทุกข์จริง แต่ถ้าเข้าใจธรรมะช่วงนั้นนเข้าใจอย่างสุดซึ้งจริงๆช่วงนั้นนะทำชาช้าปั้นข้าวแต่ละคำเนี่ยจะหยิบแล้วก็มาปั้นปั้นแล้วก็จะมาจ้ำน้ำพริกถ้วยปนบ้านเราเนี่นะจ้ำแล้วก็ต้องยกขึ้น ห, หกงัวจะมาเนี่ยวุ้ยหิวก็ไม่ได้หิวเราหิว เอกมาก็ต้องให้ถูกกินก่อนถูกกินล้วจึงจะอ้าปากอ้าปากใสแล้วก็สร้างเยื่าออกไปออกไปออกไปวางหมดแล้วจึงจะมาหลับตาเคี้ยวอุย้ยบางทีกินได้สามคำอิ่มแล้วไปอาบน้านก็เหมือนกันมือเดียวตักขันน้ำตักกว่าจะมาลาดกว่าจะไปวางมันแห้งแล้วถูสบู่ไว้ได้ โยมบางคนร้องให้อยู่กับท่านนะนะอยู่กับหลวงปู่นะที่นี่จากนั้นมาอาจารย์มาอาจารย์หลวงปู่มาอาจารย์ก็กลับน้องคายกับน้องคายก็เลยมอบภาระไว้ให้หลวงพ่อพวกเจ้าคณะอำเภอองค์หลว ง, งปูป่อุดมเดียเ๋ยวนี้ที่วัสันติที่โยมเราจะมาถ้าวันนี้เราคงได้ฟังเทศฐานแน่ พวนี้ ย, ย, ยังยังยังไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อเทียนเป็นอะไรนะยังว่าเป็นคนมีทิฏฐิอยู่คือหลวงพ่อท่านท่านไม่เชื่อใครท่านบอกอย่างนั้นผมเชื่อตัวเองท่านบอกอย่างนั้นเลยผมเชื่อตัวของผมเองพระพุทธเจ้ามาผมกับเบ่เชื่อท่านบอกอย่างนี้เลยเนี่ยที่นี่เมื่ออาจารย์กลับหนองคายก็มอบภาระให้พระเป็นผู้นําที่เนี่ยโยมจะไปสอนก็ไม่ได้พระที่เนี่ยมันเลยเป็นพระห่วง พระห่วงห่วงหน้าที่อย่าไม่อยากจะให้ใครไปสอนธรรมะเองไม่อยากจะให้ใครไปว่าแกนหลวงปู่ท่านเป็นโยมท่านก็ไม่มีโอกาสจะไปสอนไปพูดอะไรไม่ได้เพราะพระไม่ให้โอกาสเราเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ของเราบางรูป ก, ก็คงยังเป็นอยู่มั้งเออไปสอนองค์เดียวเงียบเงียบติวเข้มติวเข้มจะไม่ให้ใครไปพูดผ่านพูดไปพูดมาก็าโยม หลุงพ่อหูหนวกเขาจะใส่หูทิพย์ให้สามแสนพูดอย่างนี้เลยเนะี่ยเออเดี๋ยวโยมจะไปต่อรองราคากับหมอไม่ต้องหรอกแล้วแต่โยมจะศรัทธาคือมันมันมาเข้าหลักนิดเดียวกันลุงปู่ไม่มีโอกาสพูดธรรมะก็เลยไปขอแม่บ้านให้บวชสักสามเดือนเถอะนะท่านว่านะท่านคิดว่าถ้าจะมาบวชแล้วพูดแล้วมันคนจะเข้าใจ ท่านก็เลยไปบวชพอบวชปุ๊บพระนี่กักันธานได้ยินหลวงปู่พูดธรรมะเนี่ยโอ้โหท่านไม่ได้อยู่วัดท่านไปนอนอยู่ทุ่งนาแม่ย่าหนอมเป็นพี่สาว อ, อือจากนั้นก็ปข้ามไปฝั่งชันคามฝั่งลาวไปอยู่โน่นสองปีที่วัดวัดพาะหัอาจารย์จันทร์บังเอิญอาจารย์จันทร์ก็คนอุดร ก็เป็นอาจารย์กรรมฐ า, านเหมือนกันก็นเบียดท่างนู้นว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดอวดอุตลิบมนุษยธรรมโจดป้าบาทกันอย่างหนักท่านก็นเลยสะพายบาดข้ามฝั่งโขงมาหาหลวงปู่เจ้าอุปชาอุปชาหลวงปู่ที่วัดศรีคุณเมืองนะไ ม, ไม่ไม่ใช่หลวงพ่อศรีหัสนะนะเป็นอุปชาหลวงปู่พระวิชิตธรรมอาจารย์เป็ น, จ น, นเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่ยังมาทันด้าน ยังได้เห็นท่านอยู่ยังได้คุยกับท่านอยู่วัดศีคุม้มือมาลาศึกท่านก็เลยว่าจะศึกไปทำไมหลวงพ่อก็เลยเล่าสาเหตุให้ฟังท่านก็เลยว่าใครไม่ชอบไม่ต้องไปพูดให้มันฟังแล้ไปพูดให้คนที่ชอบมันฟังมันไม่ชอบไม่ต้องไปหามันไม่ต้องศึกอยู่นี่แหละ กูดในแกังครับก็เอาอยู่สองถามบรรษาแล้วผ่านมายังไม่ได้ใครก็เอาปู่น้อมพี่พี่เขยปู่จันทร์ฮวนพ่อเสมอใครบ้างนีพ่อเสมอนี่เป็นพี่เขยของเจ้าคณะตำบลด้วยโอ้ทิฐนะิหนักวันหนึ่งเป็นเพื่อนกันกับหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยเรียกมาเฮ้ยมานี่พ่อเสมอมานี่มานี่ เขาก็เคยฝึกกรรมฐ า, านมาเหมือนกันท่านก็เอาผ้าผ้าอาบน้ําน่ะถ้าเขามามาตวัดคอพ่เอเสมอแล้วก็บิดบิดเขบิดเข า, เขาจะหายใจไม่ออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงปฏิบัติมันเป็นจังทีเดี๋ยวเนี้เนี่ยพอถูกอารมณ์ ม, มึงจะเป็นอย่างที้เส้นว่า ม, มึงเข้าใจบอท่า น, น, นถามบอเข้าใจ นั่นก็เลยคลายผ้าก็ลุมันเป็นยังไเบาเบาให้มันเป็นช่างทิศท่านบอกกันนะให้มันเป็นอย่างนี้นะก็ตัดสินใจมาฝึกกับหลวงปู่ก็ไม่นานก็มาเข้าใจโอ้ยไปว่าน้องเขยเไปไปว่าน้องเมียที่เนี่ยพ่อหลวงพ่อน้องก็เป็นน้องเมียก็ไปว่าอหลวงพ่อน้องก็เลยว่าพี่เขยเออออาจารย์สายว่าอาจารย์สายเก่งนักนะ ลูกหลานจะได้กินอะไรพูดอย่างนี้จากนั้นมาท่านก็เลยตลอนตลอนไปบอกให้หลวงปู่ทนะกับหลวงปู่เต้าเมิอนอยู่วัดพวกเจ้าสององค์เป็นคนแก่เฝ้าวัดอยู่วัดหลังเขานะบัดบูฮูมผมเป็นพระหนุ่มผมจะไปหาพวกมาปฏิบัติหาเพื่อนปีนั้นได้ก็เดินทางไปถึงถึงจุมแพรแล้วนะถึงจุมแพรแล้ว แต่แม่ชีที่ชัยภูมินะี่ยมาเจอท่านที่จุ้มแพปมาเจอที่จุ้มแพที่นี่ก็คงเป็นแม่ชีก็บแม่ชีโกโลโกโสแบบนี้ละมะั้งเห็นฝึกก็ฝึกหนีแล้วก็แล้วไปไม่รู้เดินตุดงมาหาอะไรเมื่อก่อนเห็นเดินตูดว ง, ไ ป, งไปนู่นไปนี่กนึกว่าไปหาธรรมะแต่ในจริงอ่ะไม่ใช่พวกเดินตู้ดงมันหาอะไรมันหาซองหลวงพ่อพถึงเข้าใจ นี่ปีนั้นท่านไปจปําพรรษาที่ผานุเขา้าได้เน้นสองลูปได้เดินสมัครกำเนินรอดมหาสมเกียรติปรเปรียนศรีประโยชนก็ไม่เอาด้วยอยู่ที่วัดผานุเขา้าพอออกพรรษาท่านก็เดินทางไปที่จุงแพรอีกปีนั้นหลวงพ่อก็ออกพรรษาที่อําเภอน้ําผ่องเดินทางมาอยู่ที่ช่องสามหมอที่นั่นมาเจอ แม่แม่ขาวนั่นน่ะแม่ใหญ่สารคนบ้านยางไวยอําเภอคอนสวรนค์บ้านจอกนะท่านมาเล่าให้ฟังบอกว่าเมืองเลยเขาสอนวิัสสนาองค์การสำนักธรรมยุทธ์ท่ามผาปูแต่ท่านไม่ได้ถือนิกายท่านว่าอย่างนี้นที่นี่หลวงพ่อกันนึกในใจอยู่เออ วิจารณาองค์การก็ได้ยินอยู่ในหูเรื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยมาจนถึงเดือนพฤษภาหลงพ่ออยู่ที่นั่นก็อ่านหนังสือว่าหลวงพ่อไปสวนโมกมาแล้วไปศึกษาสวนโมกไปอะไรเป็นเดือนสองเดือนแต่ว่าหลวงพ่อไปปว่วยปวดปวดหัวปวดหัวมากช่วงนั้นอากาศชื้นฝนตกบ่อยมีผ้า อ, อยู่ห้ารูปหกกาเนินองค์หนึ่งที่สวนโมกนะหลวงพ่อ นึกว่าหลวงพ่อจะไปก่อนเพื่อนทุกรุ่นเลยตั้งแต่ปี03 04แล้วหลวงพ่อลงไปพอเรียนจบประโยค4หลวงพ่อไปประโยค3หลวงพ่อก็ไปไปท่านก็บอกว่าแต่ท่านสอนดีนะอนาป่าเนี่ยมันดีอยู่ใกล้เคียงเมื่อเรามาเข้าใจแล้วนะโอ้ผู้ทำอนาปาถ้าไม่ง่วงแล้วดูตรงนี้แหละดีมากๆเลยแต่ว่าที่นี่เรามันตัดคัว ง, ง่วงไม่ได้ แต่วิธีของหลวงพ่อเนี่ยท่านกิดถึงกิดจี้ให้เราเข้าใจที่โน่นท่านจะโยนหนังสือให้เอาผมเขียนไว้ละเอียดแล้ว16ขั้นตอนอนาปานะท่านไม่มีเวลาที่จะมาจี้เราเหมือนเหมือนพวกหลวงพ่อพาฝึกอย่างนี้เพราะท่านเป็นนักเขียนนักคิดมากหลวงพ่อสวนโมยกันนะ แต่ทีนี่มื่มาฝึกจกริงๆนะอูอนาปามันใกล้เคียงแต่อย่าไปบริกรรมเป็นเด็ดขาดแต่ถ้าไม่ง่วงเราดูได้แต่ถ้าง่วงไม่ได้นะต้องเขย่าตรงนี้ไม่ต้องไปสอนตามจริตดอกจริตนั่นเขาเขียนไว้เฉยๆนะเมื่อทําแล้วมันไม่มีใครสําเร็จอ่ะจริตน ะ, นะจริตราคาจริตจะไปอะไรราคาจริตจะให้ไปเจริญอสุภะอย่างที่อาจารย์มหาพูดพระฟังอะ ลูกจิบหลวงปู่ชาที่วัดป่าพง่ะสาขาที่แปดที่ช่องเมกท่านปุริโสเลยจันบวชตั้งสิบแปดพรรษาหรืออะไรอะเอาศพเขามาเพ่งตั้งแต่เริ่มแรกจนเปื่อยพังอย่างสูตรเขาว่าตั้งสองสามศพโยนผู้หญิงคนนั้นเป็นญาติของคนตายนะเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟังโอ้ อันผู้ข่านายหลายเลยบามาวาจ่าเทียประนบเบืเ่อนายมากๆเลยไม่เข้าวัดเลยหลวงพ่อไม่เห็นพระฝรังทำทำเสร็จสามศพศึกไปจ้อยไปหาอีหนูที่สิรินทร์อำเภอสิรินทน ร, รนทนไปเป็นนักแปรให้เจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตแปล้ทำไมศึกลมหา ก็คูที่สิดินตอนดังโอ้ยหลวงพอ่อไอ้นู่มันเคยกินเขียดมันก็ถืกินเขียดที่เก้าหลักนะพวกบ้าไอ้พวกบ้าไม่รู้ที่จบของอารมณ์ของกรรมฐานมามันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นพระหนุม่มพระแก่ของเราทุกคนให้เข้าใจอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่ท่านแสดงไว้ ดีมากๆเลยให้เจริญสติเขามากมากมที่ยังละไม่ได้บุรีมวดเดียวก็ทิ้งไม่ได้หมากคำเดียวก็ทิ้งไม่ได้จะไปละกิเลสได้อย่างไรกิเลสมันอยู่ในหมากมันอยู่แค่ปากไม่อมจะแล้วคายบุรีก็อยู่แค่ปากอ้าปากมันก็ตกหล่นแล้วจะไปอ้างว่าเป็นพระอาหารหันต์ของชาติได้อย่างไร มันน่าขำน่าขำ ม, มากๆปีนั้นหลวงพ่อก็เดินทางขึ้นมาเลยเอ๊ะสมัยนี้คนปฏิบัติไม่มีครูอาจารย์เนี่ยมันยากที่จะรู้ธรรมะหลวงพ่อตัดสินใจอย่างนี้นวุวทิที่จะเจอกันที่อเาเภอจุงแพรกะหลวงปู่ไม่เจอท่านก็เลยมาปักหลักอยู่ที่วัดโนนสวรรค์บ้านนาอ้อ กลุ่มทางอนามัยนะวัดวัดเล็ยอยู่นั้นนะ่ะที่จะลงไปหาท่านพระปู่แล้วงพก็เข้าไปอยู่ท่านพระปู่ก็ไปฝึกพุโทโธฝึกพุโทโธก็ต้มน้ําไปให้อาจารย์อาบทุกวันทุกวันแล้วกระจายนั้นก็นไปเก็บมัดตูมหลังเขามาต้มเลี้ยงกันเนชีอยู่นั่นก็ น, นึข้าวรัดใส่บาตรกีบ ม, มาแข่งกันกันตีกันมัวแตกอือยู่ที่นั่นนะ ทั้งอาจารย์สีทนทั้งหลวงปูค่คําดีส่วนหลวงพ่อทอดเนี่ยอยู่วัดตาอภัยวันอยู่แต่นานมาอยู่นั้นท่านก็บอกให้หลวงพ่อไปยัดติบวดเป็นธรรมยุทหลวงพ่อก็นึกได้ว่ามันไม่ใช่ธรรมะแล้วก็ฝึกแต่พุทธโธไม่เหมือนอคําที่เล่าลือเลยคิดเห็นหลวงหลวงพ่อสองสามรูปมีหลวงพ่อเทียนเหล่านี้แล้วก็หลวงพ่อสวัสดิ์ หลวงพ่อเพชรท่านปฏิเสธอย่างท่ท่านปฏิสธยังยังอยู่ไรนี่อากันอายุกับหลวงพ่อเขาเป็นน้องหลวงพ่อสักปีสองปีกับเนรฝึกโยมอยู่ห้าหกคนคนแก่แก่ผู้หญิงกลุ่มบ้านนนท์สวรรค์หลวงพ่อก็ บ, บิณฑบาตผ่านกันทุกวันได้นึกได้มาอยู่นี่กับพุทโธเราก็เคยฝึกหนอมา เราจะไปอยู่เขาคนเดียวอยู่ถ้ำคนเดียวฝึกหนอให้มันเด็ดขาดไปเลยคิดอย่างนั้นนะพ่อหลวงพ่อไปไปฝึกหนออยู่กับหลวงปูอ่อโศวัดทองเทศแม่วดีดาตาบอดนะ่ะหลวงปูนะ่น่ะไปฝึกอยู่นั่นก็เลยคิดว่า เ, เงินค่ารถไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าโชคหรือจะเป็นอะไรกันไม่รู้นะจะไปขอหลวงพ่ออยู่นี่สักห่าบาท ค่ารถแต่ก่อนมันห้าบาทก็ถึงจุ้งแพร่แล้วใจก็ตั้งใจอย่างนั้นก็อาบน้ําตอนเย็นก็มาท่านก็คุยกับหลวงพ่อเพชรอยู่หลวงพ่อก็เลยไปกราบท่านอาจารย์มาจากไหนก็เลยเล่าให้ฟังบวชได้กี่ปีผมบวชได้ห้าปีออกมาหลวงพ่อพอพูดอย่างนี้ท่านก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องไปหยิบกระติกน้ําร้อนมาพอมาวางท่านก็มากราบหลวงพ่อเอ้าหลวงพ่อท่านไมย่ยอมากราบ เปล่าอาจารย์บวชก่อนผมผมบวชได้สี่ปีอาจารย์บวชได้ห้าหลวงพ่อเพ็รได้หกท่านว่านี่ไปยังไงมาก็เล่นเล่าเรื่องว่าจะมาขอตังหลวงพ่อสักหบาทผมจะไปอยู่ทรราผาพวงเล่าให้ฟังแบบงงๆเลยนะหลวงพอ่อท่านก็ยิ้มๆเอออยู่อยู่นำกันนี้ก็ได้ท่านพูดแบบแบบไม่ให้กระทบกระเทือนอะไรนะหลวงพ่อยังสูบ ยายโป้อยู่นะบุรีเนี่ยสูบอยู่นั่นคุยกันเราอยู่ด้วยกันสามองค์ท่านว่านะหลวงพ่อหกปัญหาอาจารย์ห้าผมสี่เราต่างคนต่างหาท่านว่านะเป็นคนฉลาดมากๆหลวพุทธคนแยนะ่เหมือนกันเราไปหาน้ำท่านว่าคนไหนเจอแล้วก็มาเรียกกันไปจิน อาจารย์เจอก่อนก็มาเรียกพวกผมสององค์ไปกินหลวงพ่อเพทย์เจอก็มาเรียกพวกเราสองคนไปกินนั้นว่าไป2่อคนหาน้ำสั้งน้าบ่อนะก็จะมีหวังอยู่มั้งแปดสิเปอร์ซท่านพูดตรงนี้เลยกินไกลหลวงพ่อที่เนี่ยหลวงพ่อจับได้ว่าแปดสิบเปอร์ซ็โอ้มันมันเห็นนักเรียนนาย้อยจอปลแล้วกับพวกนักเรียนแพทย์ศาสตร์นะ สอบได้แปดสิบเปอร์ซนี่มันผ่านชุยเข้าเลยนี่นแล้วก็ภูมิใจติดใจตรงนั้นเลยไม่พูดเรื่องขอเงินไปทำผาพวงเลยนะที่นี่นะเมื่อก่อนเนี่ยอู้เห็นทำที่ไหนอยากจะไปอยากจะไปชอบมากมากเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่สู้ถ้าเห็นโรงพยาบาลกับธนาคารเนี่ยอยากจะไปหาเดี๋ยวนี้นต่างกันมากเนี่ก็อยู่ก็ วันวันที่สองมามาบวชหน้าที่วัดใหญ่ที่บ้านนา อ, อ้อบวชแล้วก็กลับคุยกันไปคุยกันเรื่องปริยัติบ้า ง, งเรานะเคยเป็นนักเทศอนุ น, นั่นนี้ไปหลวงพ่อ ก, ก็ฝึกกรรมฐานทาชาตินะทาชาติแต่ว่าไม่ถึงกับบริกรรมไม่บริกรรมเที่ยวก่อนเนี่ยทำพิกขึ้นตั้งยกขึ้นเอาเข้าดิยังไม่ถึงเลยนะมาหยุด ถึงกลางก่อนหยุดไว้แล้วจึงค่อยเอาถึงเวลาออกก็เหมือนกันออกขึ้นมาออกไปตรงข้างเอาลงก็หยุดไว้ก่อนยังไม่ถึงจึงค่อยเอาถึงจึงค่อยลงเรียกว่าเข้าสี่ออกห้าที่หลวงพ่อมาฝึกทชาชาเดินก็ช้าบ้างสลับกัน สลับกันไปสลับกันมาที่นี่พอปฏิบัติอยู่ที่วัดนุสวรรค์เนี่ยโอ้หลวงพ่อโยมมันเขาเข้าใจลูกทำนาทํามาเล่าให้หลวงพ่อหลวงปู่ฟังก็ต้องกระแตง่งนี่มันรู้อย่างคนเดียวไอ้เรานี่ทําไมไม่รู้หลวงพ่อคิดว่าลูกทำมานี่ใจมันจะต้องหักลงจะก่อนมันถึงจะเข้าใจก็ได้อย่าง เราไม่ได้ไปจับสัญญาความรู้อะไรเลยที่เรียนมานี่เราทิ้งหมดแต่ว่าคิดมากพวกเรียนมากเนี่ยโอ้คิดสามโลกกัธาตุเนี่ยไม่อยู่แล้วนังนอ้องเธอยิ่งเรียนมามากๆอย่างนี้โอ้ยสามปีนี่ยังไม่อ่อนเลยแหละความคิดของคุณน่ะลองดูหลวงพ่อเลยโอ้โหว่ารู้สึกยกมือรู้สึกอยู่ ไอ้ออเข้าออกมันรู้สึกอยู่แต่ความรู้สึกที่มันวิ่งออกนอกไปโน่นอูโหูแรงมากมากเลยแหละเนี่ยตั้งแต่นู้นมาตูดูดิโอ้โหมาสังเกตดูอะแรกสิบปีมาเป็นโยมสิบห้าก็ร่มรุปคุก ค, คานมาเที่ยวนี่ยี่สิบห้ามันเป็นเท่าไรละโยมห้าสิบปีแล้วนะเนี่ย โอ้เล่าเนี่ยไปติด <t ip> ความรู้ข้างนอกอืมพอฝึกไปฝึกมาที่เนี่ยหลวงปู่ก็มาพูด <t ip> <"H it> ผมจะไปเชียงคานว่าว่าขึ้นลอยๆอยเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าท่านทดสอบเอา้าไปยังไงผมยังฝึกยังไม่เข้าใจอะไรเออก็ททำไปว่าอีกอยู่สองามวันก็มาพูดอีกผมจะไปเชียงคานอ ผมยังไม่ได้เข้าใจอะไรอย่าเพึ่งไปหลวงพอ่พอเพราะเราในฐานะที่ผมไม่มีตังค่ารถไม่กล้าจะไปติดตามท่านเราก็ไม่รู้ว่าท่านทดสอบว่าเราจะชอบธรรมะไปไหนจะไปด้วยไหมเราไม่รู้ที่ได้บังเอิญอยู่มาโชคเข้าข้างหรือข้อเข้าข้างโยมบัตถบุงเนี่ยพ่อแม่เขาเสียก็เลยบอกท่านไว้ว่าหลวงพอ่ออย่าให้ผมไปงานสวดงานฉันให้ผมปฏิบัติอย่างเดียวหลวงพ่อสู้อย่างนั้น ท่านไม่ให้ไปบินาบาตท่านให้ทำโคมเปียนอย่างเดียวหลวงพ่อก็ทําเต็มที่พระไปหมดรับนีมนวันนั้นหลวงพ่ออยู่องค์เดียวอยู่วัดเดินเล่นอยู่นั่งเล่นอยู่เดี๋ยวพ่อพ่อใหญ่หนึ่งก็มาอีกแหละอีกพ่อพ่อตูพอพอ้พ่อตู้พ่อตูบ้บรรณาอออกมาเดินมามาอะไรอีกอ้อัดยาเข้าใจไหมนังน้องรู้ไหม อัญญานิมนต์ไปบ้านท่าบุงคว้วยเนะีเขาบอกว่าอาจารย์อัญญ า, อ, ญญาอัญญาท่านก็เรียกกลับตูงนะนิมนต์ไปบ้านท่าบุงขน้อยแต่พวกที่ไอ้บ้านนาอ้อเนี่พูดไวนะจำเนียงนะนิมนต์ค้วยแต่ค้วยนี่ก็เรียกว่าขน้อยแล้ว อ้าวทำยังไงทนี่ก็พระไม่พอเอาจําเป็นก็ได้ไปไปนอนอยู่นั่นสวดสามคืนไปคุยกับหลวงพ่อเรื่องธรรมะนี่โอ้เขาให้เทศนาจบหลวงพ่อก็เทศได้เพราะเป็นนักเทศอยู่แล้วเทศทัานกบฟังเทศทนั้นบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่หนีไกลกันอาจารย์อย่างนี้แต่หลวงพ่อเข้าใจธรรมะเนี่ยหลวงพ่อจะจะไม่จับสัญญาอะไรพูดอะไรไม้ฟังหลวงพ่อจะไม่จับสัญญา หลวงพ่อจะคิดว่าถ้ามันเป็นมันจะต้องมาขาดใจเราอย่างเดียวนึกอย่างนึงพอเสร็จงานจากนั่นมาโอ้ยได้เงินเป็นร้อยทีเนี้ยดูเขาถวายเงินเป็นร้อยพอมาถึงวัดยังไ ง, เงีเนี่ยหลวงพ่อครับเราไปเชียงคานไหมโอ้ยแต่งของรลึกุบบั๊บเลยหลวงพ่อนะรีบจริงๆพาเราขึ้นรถ ด, ดิ่งถึงเชียงคาน โอ้ยแต่ก่อนนะ่ยมันถนนลูกลังหัวแดงไปหมดรถก็หมูนะรถข้อหมูตนะาแฉ่จะเข้าใจาแต่แฉ่มันก็วิ่งรถไปถึงแล้วไม่มีรถไปบ้านบุหงาไม่มีเดินเดินนะแต่ก่อนนี่ยเดินแล้วสะพานก็ไม่มีทางรถก็ไม่มีมีแต่ทางล้อไปหลวงปู่ก็เลยไปเหมาเรือเรือจากท่าหน้าบ้านของโยมศรีชาวนาเนี่ยเมื่อก่อนเขาอยู่ท่านะ อยู่ตลาดท่าหน้าวัดไอสิคุมืองจากนั้นไปถึงบ้านบงหฮมสิบห้าบาทโอ้โหแพงส5บหาบาทนี่แพงมากๆเลยน่พอไปถึงนู่นแล้วก็ขึ้นฟัง่งขึ้นฝั่งเรือเขาก็กลับพอขึ้นไปถึงวัดหลวงพ่อก็ไม่รู้หรอกแต่ท่าน ไ, ไปพูดใหส้สองเท่านั้นฟังผมได้เงยยั่ยมาแล้ว ท่านบอกว่าท่านได้ไดเรือใหญ่มาแล้วท่านว่าคือเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่บอกท่านว่าหลวงพ่อเป็นมหาสอบได้ประโยชน์นั่นประยชนนี้ไม่บอกแต่ท่านไม่รู้ทีหลังท่านก็เลยดีใจภูมิใจนี่เนี่ยพอมาเจอกันที่วัดหลังเขาบันโมงก็บอกมาผมได้เหือใหญ่มาแล้วออืผมได้เรือใหญ่มาหลวงพ่อมาทำความเพียรอยู่นั่นสองเดือนสองเดือนจึงมาแยกรูปแยกนามได้ผ้านี่ไม่ซัก ถือว่าอยู่คนเดียวนอนคนเดียวบางวันไม่นอนกลางวันมาเนี่ยผ้าอังสะไม่ต้องใส่นุ่งแต่สบงยทำคุนเบียนอยู่ในห้องนั่งได้ตลอดเช้ายันค่ำอายุช่วงนั้นยี่สิบห้ายี่สิบหกอ่ะดูทะโยมยี่ส้าปีเต็มๆนะโอ้แข็งขันมากไม่เคยปวดเสียนเวียนเก้าไม่เคยติดอารมณ์คำว่า เครียดนี่ไม่เข้าใจเลยไม่มีเลยมิตรบุกเดียวอย่างเดียวเมื่อไรกูจะใจจะหักโคสักทีเนอะนึกอย่างนั้นจะทําอยู่นังพอมาได้สักสองเดือนนี่เออเริ่มเข้าใจพอมันเข้าใจนี่ ม, มันอ๋อมันนึกมันก็เราก็เคยเทศรักสูตรมันก็มีแต่มันทำไมไม่ไม่เข้าใจคือกรีเรามันไม่เป็น น, นี่เราทำเป็นแล้วหรือเนี่ยเราเข้าใจเออเข้าใจพอเข้าใจอารมณ์เบื้องต้นเนี่ยหลวงปู่ท่านดีใจยิ้ม น, นะเพราะท่านจะหาคนไปสู้กับชาวบ้านบุหูมไงปล่อยให้หลวงพ่อไปเทศเจ็ดคืนเทศบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านเรือนนั้นเรือนนั้นเรือนนั้นเรือนนั้นนนั่นที่นี่คนชาวบ้านบุหูมเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกบ กบหชอบธรรมะหลวงปู่กบหนึ่งชอบธรรมะของเจ้าคณะตําบลชอบทําบุญนั่ทานอะไรต่ออะไรนี่แล้วก็อีกอย่างทําบุญคูนลานคูนข้าวนิมนต์พระไปฉันข้าวที่ลานข้าวประจําไปที่ไรโยมก็ต้องนิมนต์ให้หลวงพ่อเทศเทศที่ไรถ้าเจ้าคณะตําบลไปเอากัน ที่งานนั้นทุกเที่ยวที่นี่โยมได้ยินธรรมะที่เนี่ยได้ยินห ล, งลวลงพ่อเทียนเขาเรียกว่าเออหลวงพ่อเทียนเนี่ยไปเอาพระขอมนิดมาจากไหนหลวงพ่อว่าโอ้หลวงพ่อพูดรุนแรงนะไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะนี่นี่นี่นนยังพูดไอ้ดีนั่นเนี่ย <c oughs> โยมไปไปทําไร่เนี่ยเขาเรียกว่าไอ่ไม่ใช่จอบไม่ใช่เสียมเขาเรียกว่าแวบบ่ ทางมึงเลยนะี่ยเาเรียกมักแวกขูดหญ้าเคยเห็นไหมโยมน้องก็เห็นไหมดวงเล็กเล็กคันเล็จกจับขูดขูดเถียงกันเรื่องธรรมะวันไหนก็เถียงกันทุกวันจะตีกันนะอยู่ที่ไรโยมนะแยกกันเป็นกลุ่มกันอู้สนุกมากมากเลยช่วงนั้นเดินจากบ้านบุกหงกาลงไปบ้านโคกเราเหนือโคกเราใต้หว้วยสวก นู่นก็ยันไปถึงปากชมนุ่นบ้านเสียแถมหนึ่งดูไปยนะาหนี่ก็มาตั้งแต่ปีนั้นมาแล้วที่เนี่ยมาจำพรรษาจําบรรษาเสร็จแล้วก็ไปที่ไปไปไปไปสร้างสํานักที่ป่าพุทธยานที่ราชพัฒเลยเนี่ยราชพัฏนมหาวิทยาลัยครูนะ่ะพวกหลวงพ่อได้อยู่ก่อนที่นั่นทีนี้พอ กำลังเอกมาอยู่ก็ก็เลยขอให้เป็นที่อะไรทางการศึกษาก็พิขอแล้วก็ย้ายขึ้นมาช่วงนี้หลวงพ่อออกไปแล้วออกไปแล้วย้ายมาที่บ้านกําเนิดเพชรบ้านกำเนิดเพชรเนีเน่ยเป็นนามสกุลของนายมุนเทียนกําเนิดเพชรนะผู้ว่าราชการจังหวัดเขาวางแผนจะย้ายเมืองเลยออกไปอยู่ที่บ้านกําเนิดเพชรเขาเลตั้งชื่อว่าบ้านกําเนิดเพชรเนี่แยแกก็ไปถูกระเบิด อยู่แถวใจแดนี่ที่ไหนกลแก้เสียเดี๋ยวไปในเทียนกำหนิดเพชรเดี่ยได้ชื่อว่าบ้านกำเนิดเพชรมาก็มาอยู่ที่นั่นหลวงพ่อก็พาพ่อออกบัญชาปีหลังหลวงพ่อก็พาหลวงปู่ไปบ้านบ้านหลวงพ่อเองไปเอาโยมพ่อโยมแม่เพราะช่วงนั้นหลวงพ่อไปบ้านคนเดียวไปฝึกพ่อพ่อติดอารมณ์ไม่รู้วิธีแก้ที่นี่การแก้อารมณ์เลย บอกให้โยมงดไว้อย่าเพิ่งทำาคมเพียนนะพอทำทีไรแกจะร้องไงหลวงพ่อก็ไม่มีวิธีเดี๋ยวรีบขึ้นมาหาหลวงปู่ก็เอาหลวงปู่ลงไปหลวงปู่นี่ไม่ต้องไปพูดอะไรหรอกโยมติดอารมณ์เนี่ยมองเห็นหน้าท่านหายเลยโอ้ไม่รู้เป็นยังไงนะไหนพ่อมาหาครับเนี่ยพ่อหลวงพอ่อมานี่ท่านก็ บ, บอกเลยนะก็มาเอานั่งลงสร้างจังหวะดูที นะผมสร้างไม่ได้เป็นไรมันจะร้องไงเอาให้มันร้องห้พอทําไปสามาโอ้ยมันหายแล้วหลวงพอ่อยังยังไม่ได้อะไรหายก่อนแล้วโดวยนี่อันหน้าต่างกันมากมา ก, มา ก, การแก้อารมณ์โดยหลวงปู่เดินไปนีท่านจะรู้เลยสายตาของเราเป็นยังไงอย่างนีง้ท่านจะรู้เพราะท่านบอกว่ามันเป็นเหมือนกันทุกคน พราะเราก็เคยผ่านอย่างนั้นอย่างนั้นมาถ้าถึงแก้ได้ถ้านถึงมาสอนวิธีแก้ให้โอ้มาโยมบันนาออติดอารมณ์อาจารย์มหาไปแก้จะหายใจไม่ออกแน่นนะาอกเอา้าไม่ใหญ่มากพอหลวงพ่อพูดแยบฟุกเลยจะขาดใจเอา้าหลวงพ่อเมตตุ้ไม่หายแล้วหลวงพ่อก็เดินไป ท่านก็ไปพูดภาษาเมืองเลยเป็นสังใดแล้วไม่โทษไม่ทุก ม, มันเน้นอกมันจะใจจากการท่านก็บอกว่าเอามีลูกกี่คนท่านพูดอย่างนี้นะแกก็หยุดกึกก็มาไล่มีใครบ้างมีบักสวัสดิ์บักดำไล่ไปลูกเป็นครูกี่ ค, คนไล่ไปบ้านจีรัง ไล่ไปโอ๊ยังไม่ถึงเสาบ้านเสาเรือนถึงบันไดแค่นั้นอยู่ข้างในโอ้ไปไงอุย้ยโล่งแล้วอัญญาโล่งอกก็พูดแค่นี้่ะวิธีแก้อารมณ์โอ้ท่านว่าอยู่ข้างในให้เอาออกข้างนอกถ้าอยู่ข้างนอกให้เอากลับมาข้างในท่านพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ยังไงว่าคนอยู่ในถ้าอยู่ในเนี่ยมันหายใจไม่ออกมันแน่นมันปวดหัวมันอะไก็ต้องส่งสายตาไปไกล ทำแรงๆถูงให้ตาไปเกยๆที่ที่ทำนี่เพื่ออะไรเพราะคนเรานี่มันง่วงตลอดการนะหลวงพ่อถึงจะได้มาม า, มามารู้ว่าโอ้ไอ้ความง่วงนี่มันเป็นอันตรายต่อธรรมเป็นนิวรอย่างหนักง่วงถือว่ามาฝึกไปฝึกมาจนหลวงปู่เสียแล้วหลวงพ่อถึงได้ความเข้าใจว่าไอ้ความง่วงเนี่ยเราเอาชนะได้ได แต่นั้นวิธีแก้ง่วงโยไม่ต้องอยาถ้ายกมือมันเคริมเลยอย่าปล่อยถ้ารู้สึกว่ามันเคลิบแล้วก็สลัดแกแรงสลัดแดงแรงซ้ายขวาสลัดแดงแรงเดี๋ยวมันจะตื่นตัวเรื่อยตื่นตัวเรื่อยนะฉันบอกว่าคนมีเรื่องอะไรอย่าไปหาเรื่องนั่นบ่อยอย่าให้จิตตกไปสู่อารมณ์นั้นบ่อยนะคือ <c ười> ต้องยกมันออกท่านยึงว่ายกจิต ขึ้นชูวิปัสสนาอะไรสักว่านะท่านบอกอย่างนั้นแต่ว่าวิธียกเกรดคือยังไงเราก็ไม่รู้เราก็เพียงว่าโอ้การยกเกรดคืออย่าไปสนใจให้กลับมาสนใจตัวนี้คือส่วนมากเรามันใจคิดรู้นะหรือมันมันคิดรู้ส่วนมากเราไม่ได้รู้คิดเราเราไม่ได้เห็นคิดเราคิดเห็น มันไปลักษณะอย่างนี้น่ยคุณเราท่านท่านถึงว่ามันมันมันตกอารมณ์บ่อยตกอารมณ์บ่อยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยติดอารมณ์เพราะอะไรเพราะการบรรยายครูบาอาจารย์ได้บรรยายไว้เราก็คอยมีสัญญาบ้างมีอะไรบ้างก็ได้เมื่อก่อนหลวงปู่ท่านไม่พูดท่านปล่อยให้ทําวิธีของท่า น, นแบบน่ากินใจเอาว่าใหญ่ยป่าบ้านซ้ำมูลนาคมาท่านจะ ให้เข้าในห้องทั้งกปปงนนะ็ปิดประตูวิธีของท่านนะปิดประตูเห็นหลวงพ่อไหมท่านจะถามนี้โยมก็ว่าไม่เห็นเอาผักประตูออกมาพอเราผักประตูเพราะเห็นเห็นเป็นอย่างนี้ทรมาเออทาโอ้ไม่นานไปทําเข้าใจร้องห่มร้องไห้ดีใจนะ แต่คนบางคนเนี่ยพอร้องให้เราหยุดปฏิบัติเลยไม่ใช่เพียงแค่ปีติเกิดแค่นั่นเองปีติเด็กเขาให้ละนะวิตกวิจารณปีติเขาให้ละนะปฐมฌานมันมีองค์ห้านะวิตกวิจารณปีติสุกเอกะกตามันมีห้าองค์ให้มันเหลืออยู่แค่เอกะกตา ก, กับสุขเอกะกตาสุขก็ยังไม่ให้ติด <c oughs> นะเราพอ ต้องให้แล้วผ่านแล้วมันมันไม่มั น, ม น, ม น, มนไม่ไม่แค่นั่นจะนั้นการรู้ธรรมะไม่ใช่รู้แค่นั่นอย่าเป็นนิ่งนอนใจแล้วที่นี่เห็นไหมพอท่านมาช่วงสุดท้ายเนี่ยสั่งให้โยมทำกุฏิสิบหลังวันนั้นพวกอยู่ที่บุหงมือก็รู้ดีให้พวกหลวงพ่อไปเอากุฏิสิบหลัง ก็เลยไปพูดกับสารวัตใหญ่ที่เชียงคานเชียงคานก็บอกว่าหลวงพอ่ออาจารย์คำ้ำค้ำหน่อยจึงค่อยไปว่าผู้กากับที่เมืองเลยเนึย่อาจารย์หลวงพอ่อมาแต่วันหน่อยนะเพราะผมมีนัาอ้าวขาดกันแล้วทีเนี้ยสองคำสั่งเราก็มาคุยกันต่อหน้าหลวงปู่หลวงปู่ก็นั่งฝังนั้นหลวงพ่อกับอาจารย์ทองอาจารย์ทองรัฒ น, น์ใน อาจารย์ทำยังไงทางเขียงคานเขาบอกว่าคำ้คำค้ให้มาล้วที่นี่ทชงเมืองเลยเขาบอกว่าให้มาแต่วันเอจะทำยังไงหลวงปูทง่ท่านก็ยิ้มยิ้มยิ้มฟังเราคุยกันนะเถียงกันไปเถียงกันมากลัวท่านก็เลยว่าคนงูพูดกันคนงูด่านวางมาเลย ท่านพูดอีมาถึงไหนแก่นั่นอ้าวพอเราได้ช่องทางนี้ปุ๊บเราก็ไปไปเอารถสิบคันทุกกติมาที่เขาตีเป็นโคง้งเป็นเสาเป็นอะไรมาแล้วแต่ว่าไม่ได้กั้นฝาไม่ยังไม่ได้มุงมามาแต่วันพอมาถึงด่านที่จะไปอำเภอท่ารี่สามแยกลบ้านสามแกลบเขาข้กักกักพอดีหลวงพ่อก็ กำลังลงรถจะไปเกราาที่นี่เขาก็เลยโทรหาเมียผู้กำกับเมียผู้กำกับก็โทรไปเขาก็บอกให้ท่านมาตำรวจอยู่จิตนนิมนต์เลยอาจารย์นิมนต์เลยหลวงพ่อพากันมามาก็ก็ก็ไม่ได้ไปวิ่งอ้อมไกลนะวิ่งผ่านตลาดใหญ่มาเลยอ้อมทำไมถึงหดแน่นาะพวกเราไม่กลัววิ่งมาหอนอณิการเลยน่ะน่ะ ดูนี่จากบ้านทางโน้นเขาเรียกว่าบ้านแห่ใช่ไหมบ้านแห่ทางวัดศรีวใจวิ่งตรงมาตรงมางมาใส่กุญ ป, ปองเข้ามานี่พอมาถึงวัดหลวงปู่เป็นยังไงที่นี่หลวงปู่นั่งยิ้มดีใจหลวงพ่อสบายแล้วบอกท่านปวดทุกข์ได้หมดหลวงพ่อเคยบอกว่าหลวงปู่ไม่รู้ว่าจะไปทําทําไมเดี๋ยวผู้มาอยู่ที่หลังเขาจะทำหรอกท่านบอกว่า หลวงพ่อไม่มีเวลาท่านพูดอย่างนี้หลวงพ่อไม่มีเวลาจากนั้นมาก็ทํากันเจิตอารมณ์เป็นห้องน้ําห้องอะไรอยู่นั่นเรียบร้อยท่านท่านก็จะเดินดูเรื่อยๆนี่บทมาถึงช่วงวันที่ท่านเสียเนี่ยพอผมเออหลวงพ่อบวชปุ๊บหลวงพ่อก็พูดกับโยมญาติญาติของท่านทั้งหลายบอกว่าเออผมบวชเนี่ยหลวงปู่ต้องเสียบอกอย่างนี้เลยนี่ย ก็บวชได้ห้าเดือนน่ะนี่หกเก็ดแปดเก้าสิบลวปู่เสี ย, ยเดือนสิบเดือนกันยาวันที่สิบสามท่านก็มาเมาแล้วนะาแต่ที่นี่วันนั้นโยมเยอะมีโยมประมาณสักห้าสิบพระอีกยี่สิบกว่าแม่ชีอีกก็คงเป็นคงเป็นสิบหรือเป็นยี่สิบนี่นะอยู่<ม>ล้อมรอบพอถึงใบ สองบ่ายสามมาเนี่ท่านบอกว่าเตรียมตัวแล้วพวกหลวงพ่อก็ยังอยู่มุงนู้นเนรก็วิ่งไปบอกไอ้เขียวนี่ไอ้เขียวลูกแม่เขียวหลวงพ่อหลวงพ่อหลว ง, งปู่เตรียมตัวแล้วท่านพูดแล้วอ้าพากันเตรียมอาบน้ำอาบทาทุกคนปีนั้นวันนั้นมีหลวงพ่อบุญธรรมพระผู้ใหญ่นะหลวงพ่อบุญธรรมแล้วก็หลวงพ่อสมหมายบ้านกสลงบ้านหลวงพ่อนี่เอง แล้วก็อาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์ประสิทธิ์ที่ศึกไปที่เสียชีวิตแล้วแล้วก็หลวงปู่มากหลวงปูเ่เจริญที่อยู่อำเภอหนองไผ่แล้วก็ท่านนี่เป็นพระหนุ่มนี่ยังยังอยู่เป็นครบช่วงนั้นอยู่พออาบน้ำเสร็มาปูุกถึงหลวงพ่อดูนาฬิกาห้าโมงยี่สิบท่านก็ยังเคลื่อนไหวไปมาได้ตามปกติแต่ว่าไม่ถึงยกมือแบบตรงๆงนะ คือลากขึ้นลากลงแล้วก็ดึงขาชันเข่าได้ข้างขวาหนึ่งครั้งข้างซ้ายนสองครั้งหนึ่งท่านทำแต่พระเรากับโยมบางคนไม่เห็นท่านทํำเพราะอะไรเพราะทุกคนจเจริญสติกันหมดแล้วก็ต่างคนต่างเพ่งแต่ตัวของตัวเองไม่ดูอากับกิริยาของหลวงปู่หลวงพอ่อเนี่ยไม่ไม่ขาดระยะหลวงพ่อตรงบันทึกทุกระยะทุกระยะเวลาตอนั้นการบันทึกหนังสือบันทึกของหลวงพ่อยังยังอยู่ยังมีอยู่ เป็นสัตีปยานท่าทนเคลื่อนไหวท่านโสพลไม่เห็นท่านเคลื่อนไหวเพราะอะไรก็เพราะคงเพง่งเพ่งแต่ตัวเองทำจิตตัวเองไม่ได้ดูลุงปู่ลุงปู่จนกระทั่งว่าท่านวางมือเหยียดยาวกัดฟันสองั้างเสียงดังยังได้ยินอยู่เดี่ยวนี้นะก็ก็ก็หลับตาแต่ไม่เต็มได้ครึ่งแล้วก็ได้ช่วยเนี่ย ท่านเองบอกว่าให้ให้ดูจิตให้เป็นอย่าไปดูลมชัดๆนะเดี๋ยวหลงท้นท่านก็บอกอย่างนี้จิตของคนเราเนี่ยมันจะอยู่เหนือลมนิดหนึ่งฝึกจิตเข้าจิตออกให้เป็นแต่ถ้าไม่ง่วงนะเราเรานั่งอยู่นี่ปุ๊บเนี่ยสายตาเราตกไปสักวาสองวาหนึ่งจากที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามจากกับความรู้สึกโอ้มันอยู่กับสายตานี่วิธีฝึกจิตเล่นจิตนั่เนะ เราก็หายใจเข้าขยับสายตามาสักครู่จากที่เดิมเนี่ยจิตของเรามันก็จะขยับมาด้วยแล้วก็ตามลมหายใจหายใจออกแล้วก็ขยับสายตาไปข้างหน้าที่เดิมนิดสักครู่เราฝึกเล่นอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ง่วงความคิดอะไรผ่านมานี่มันจะเห็นชัดเจนมากๆเลยมันก็ถึงนึกได้ว่าโอ้พระอริยะบุคคลสมัยพุทธกาล ญาติโยมไปวัดจะไปถามหาพระอนุรุท ธ, ธะท่านไปอยู่ไหนพระอนุรุท ธ, ธะพระบางรูป ก, ก็บอกว่านูท่านนั่งเล่นชาญอยู่ท้า ย, ายวัดอยู่ข้างกำแพงหรือข้างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่หพราะมันนึกถึงตรงนั้นเลยที่ว่าชาญกีรังกิรันโตนิสีทติรู้อะไรในศับบาลีนะหลวงพ่อลืมไปมันมีอยู่ชาญกีรังกีรันโต ขเขาล่นฌานเขาเล่นอย่างไงนะฌานไม่ใช่ความแน่นิ่งฌานนี่คือความเพ่งพินิษดูอารมณ์ตัวเองที่มันจะเกิดม่มีความคิดฝ่ายราคะฝ่ายทรศะหมะ่เลยเราจะได้กำลังปากมันตรงนั้นเลยนี่นะถ้าใครไม่ห่วงก็ฝึกตัวนี้เผื่อเวลาเราเก็บไข้ได้ป่วยทีเนี่ยมันจะได้พึ่งตัวนี้หลวงปู่ถ้าจะแสดงให้เราเห็นว่ามองดู ตัดหญ้าตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างช่วงที่จวนเกียนจะมรณะการก้าวย่างเข้าไปสู่มรณะกรรมเนี่ยโอ้ท่านทําได้งดงามทําได้อย่างเป็นตัวอย่างดีๆแต่ที่นี่เราเสียว่าเราไม่ได้เอากล้องวิดีโอมาบันทึกช่วงนั้นนึกไม่เห็นและก็ไม่ได้เตรียมไว้เพรา ะ, จะเจ้าอาวาสผู้มีเงินก็คื อ, คอหลวงพ่อทอง อาจารย์ทองทุกวันหลวงพ่อถึงว่าอาจารย์ทองเนี่โง่บัดซบหลวงพ่อว่านะไม่อายโยไม่อะไรวันนี้หลวงปู่จะเสียเมื่อวานนี่แกห่วงวัฒนธรรมนายไยแล้วเนี่ยไม่ได้มาเห็นหลมหายใจครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อของหลวงปูเ่เลยนะอาจารย์ทองถ้าแกฉลาดแกจะสั่งว่ามา หลวงพ่อมาหาหรือว่าคุณเตรียมให้เตรียมเอาวิดีโอกล้องวิดีโอจ้างเขามาเขาเอาชั่วโมงละมูลละสิบห้าร้อยเออเขามาถ่ายให้ก็ได้ถ้าไม่ได้สั่งหลวงพ่อก็บวชใหม่ดิ เ, เงินก็ไม่มีต้องต้องอยู่ทางนู้นเนี่ยเนี่ยเราเราอาศัยคนโง่มาเป็นผู้นาเรามันก็เลยได้กรรมฐานแบบงูงูอยู่ เ, เป็นอย่างนั้น่ หลวงพ่อก้าดา่าหลวงพ่อทองเลยนะวันนั้นโทรด่ากันในโทรศัพท์โอ้ย อ, อย่างยกใหญ่เลยเนี่ยพอท่านเคลื่อนไหวโอ้ยหลวงพ่อพอท่านทําอันนี้เสร็จปุ๊บหลวงพ่อน้ําตาไหลพวกร้องไห้เลยเพราะมันนึกถึงสภาพนีเ้เราจะทําได้อย่างนี้หรือเปล่าเราจะทํำยังไงหลวงพ่อน้องเตรียมตัวเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเตรียมไว้ฝึกวิธีนี่ไว้ ไม่ต้องเอาอย่างอื่นนะไม่เอาอย่างอื่นและนั่งหลวงพ่อจะไม่ง่วงนะน้อยนิดน้อยมากที่จะง่วงนะถ้าไม่เหนื่อยจริงๆหลวงพ่อจะไม่ง่วงดวูเออเราฝึกชนะความง่วงได้โอ้โหวิศเศษมากๆเลยนั่งดูสนุกเนะี่ยฉะนั้นพยายามแก้ไขความง่วงเนี่ยให้ได้นะถ้าความคิดไม่มีนั่งดู ดูลมหายใจในใกล้ใกล้มากใกล้เพียงมากที่ที่ชวนโมก็ดูอนาปาแต่ไม่ได้ไปจำจี้จำใสเหมือนหลวงพ่อหลวงปู่เรารงอาจารย์ชวนโมกหลวงปู่ชวนโมกนะท่านจะโยนให้เอาสิบเอ็ดสิบหกขั้นตอนอนาปาเนี่ผมเขียนไปละเอียดแล้วถ้าจะบอกอย่างนั้นเลยเราก็ภาษาอะไรก็จะไปอ่านโอ้ยงงงวยกันหมดเดีย๋ยวต้องให้แปลพระไตปิฎกอีกเยอะแย ะ, ย ะ, ยะไป มันมันมันเป็นอย่างนั้นดันั้นวิธีของเราเนี่มันถึงทันชีวิตเราแท้ๆเลย้ยแลวเพศบามามกเลยให้เราเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆทํำเรียกว่าเราโชคดีลุงปู่ท่านก็บอกว่าผมโชคดีไปปฏิบัติรู้ไปเหมือนเขามหาโชคดีที่มาเจอกันกันกบผมท่านบอกอย่างนี้เลยดังนั้นขอให้เราเนี่ยได้อยู่เป็นหลัก ให้โยมได้ประพฤติปฏิบัติกันให้ได้จริงๆท่านท่านท่านบอกอยงนี้ท่านเป็นห่วงมากๆเลยหลวงพ่อเรามาโอ้โหนานแล้วน ะ, ะแล้วก็คิดว่าคงได้ฟังกันผู้ที่ไม่เคยฟังก็ต้องจะได้ยินก็ก็เป็นในลักษณะอย่างนี้แต่ผู้ที่เคยฟังก็คงจะเบื่อไปถ้าเบื่อก็จเจริญสติตัวเองไปย่ามาสนใจเสียงหลวงพ่อ ให้ต้องคนรู้สึ่อของตนเองไปและขอร้องว่าพระสงฆ์เราต้องมาลุยด้วยกันนะให้มาลุยด้วยกันทุกวันจากนี้ไปจนถึงวันเลิกน้อยเวลาพวกท่านทั้งหลายจะได้มาเจอกับอาจารย์มาโนะชคดีที่ได้มาเจอกับอาจารย์มาให้ลงมาที่นี่หลวงตาไหนอย่าไปนอนอย่าไปสูบบุหรี่ยมเห็นพระสูบบุหรี่เกลียบนะบอกว่าใครสั่ง หลวงพ่อมหาบัวทองบอกให้สั่งเยียบพระอะไรสู่บุรีนะลูกทิดหลวงพ่อเทียนเนี่ยยังสู่บุรีอยู่ไม่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ยังกินหมากอยู่ไม่ใช่เราไม่ได้ไปหัดกินหมากไม่ได้ไปหัดสู่บุรีเราวางทุกอย่างแต่เหลืออย่างเดียวว่าทำอย่างไรกิจของเรามันจึงจะสงบพบกับธรรมะเนี่ยมันจะได้อาถัยซึ่งกันและกันไป ไปได้แต่ถ้าผู้ที่อยู่โดดเดี่ยวหรือไปอยู่เป็นเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยระมัดระวังให้มากกิจจะตกต่าเมื่อท่านมัวแต่สวดแต่ฉันมัวแต่สร้างมัวแต่แปลงกรรมฐานของท่านจะไม่งอกเงยเพราะธรรมจิตท่ทานรู้มันเป็นกุปปธรรมโมให้มันเป็นอกุปปธรรมโมเพราะหลวงพ่อนี่เคยผ่านมาร้อนหนาวทุกส่วน เคยผ่านมารู้จักจุดจบจุดบอดจุ ด, จดเป็นจุดตายาถึงได้กล้าพูดเตือนพวกเราเรท่านทั้งหลายทุกคนเินเลศไม่ว่าคุณแก่คุคเท่ามันไม่เลือกนะมันเหยียบหัวไปหมดเลยฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดมาก็เห็นว่าสควรเจเวลาท้ายสุดที่ก็ะขออำนาจคุณศิลป์คุณธรรมที่นะคณะครูบาอาจารย์เรามาส่งเสริม ก็จงเป็นถะเป็นเดชเสริมสร้างพลังจิตของเราให้เข้มแข็งได้บรรลุธรรมกันทุ่วนนากันทุกท่านทุกคนเออ